ในหาริสันนะคะสามีมาเมดา 2 นะคะสภาการสอนภาษาไทย การแต่งกายก็จะแต่งกายว่าธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีปัจจุบันมีการปัจจุบันนะคะ เดินทางบนคันทางบางครั้งแลไปถึง สามารถเลี้ยงตัวเองเรียนจบได้ดังนั้นการเต้นคิวติเป็น หรือหนุ่มเลน้อยนะคะเวลาที่เข้า หลายคนที่ไวท์เบนเทนหลายคนที่เรียน อัยยะมันจะให้ควบคุมได้แต่ ดิ้วว่าไม่ค่อยอาจๆ แต่บางทีเขาก็อาจ เพราะว่าบางคน ที่ทำเดทัสนะคะๆก็ไม่น่า คิดสม